ฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนเหมือนมันแค่แค่พอเหมือน่ๆเละยังหมายอยู่ยังรักษาอยู่ยังประคองอยู่ก็ของปลอมแหละไปไหนไปพรหมโลกไม่ไปที่อื่นถ้าประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิไปอบายในบรรดา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 ท่านสวนอะไรแบบอีต่อแหลโกรธเลยนะโมโหเลยพระนี่พูดไม่เพราะไม่นับถือแล้วโมโหป้งป้งป้ ง, ปงนเดินกระทือบพื้นศาลาท่านศาลาไม้เดี๋ยวนี้ยังอยู่นะศาลาไม้กทือป้งปงป้อ ง, ปอ ง, ปองออกไปถึงหน้าวัดนึกขึ้นได้ว่าโกรธนะกลับมาขอเขามารู้แล้วว่าไม่ใช่หรอกพระก็มีนะ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 เราต้องให้มันเคลื่อนดูเราเคลื่อนแล้วตัวจริงตันถึงจบโผลเนี่ยนะเราต้องประนดีต น, นะต้องค่อยๆสังเกตรู้จักสังเกตตัวเองไม่เชื่อง่ายถ้างมงายเชื่อง่ายนะจิตจะล็อกอยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็จะไม่มีราคาโทสะอยู่นั้นตลอดชาติเลยชา ต, ติต่อไปก็ไปอารวาสหนักหน่อยขึ้นไปพร ม, มโลกพรมจานวนมากนะตายแล้วก็ไปอบาย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 นึกถึงหลวงพ่มก็ค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือจิตมันมีสมาธิขึ้นมานี่พอถ้ามันเย็นเรายิ่งตกใจเลยยิ่งหนาวตายเลยแถวนี้แค่มันมีสมาธิมันก็อุ่นขึ้นมาขอบคุณครับหนูไม่ได้ส่งกันบ้านทั้งพระอาจารย์นาแล้วอืมันทรมานมากเลยค่ะตั้งแต่พฤษ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 แล้วเวลาหนูโมโหเนี่ยหนูจะเห็นภาพตัวเองเละปืนมีดดาบสมุสไรนิงจา้าหนูได้หมดมถ้าเพียงแต่หนูไม่กลัวไอ้สิ่งที่หนูก็ทำลงไปอ่ะ<ก>หนู<ด>คงจะทาแล้ ว, ลวหนูถึงมีหีรอตป่าไงเราละอายใจที่จะทาชั่วเราเกรงกลัวผลของการทำชั่วก็ดีแล้วอย่าไปทำนะแต่ไม่ได้เก็บกฎให้รู้ทันใจที่อยากจะทำ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 โ, โนี่แหละแล้วตัวนี้พลิกนิดเดียวน ะ, ะก็จะไปร้อโอ้โหอีกโอ้โสุกอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันพลิกกันอยู่นิดเดียวลย <c oughs> แล้วแหละแล้ววัดตาจะคว่ำไม่คว่ำก็อยู่กันตรงนี้แหละมาถึงตรงนี้โยมโยมโยมก็เลยว่าเอ๊ะต้องมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันมันยังไงปัญหาของโยมยังมีนะจิตโวงไม่เป็นกลางจริงเจ้าค่ะ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 เออหมดแล้วเชิญกลับบ้าน